2. การสำนึกผิดเพื่อที่จะน้อมรับเอาโพธิจิตซึ่งเปรียบดั่งแก้วมณีอันมีค่ายิ่งนี้ข้าพเจ้าขอสักการะบูชา แด่องค์พระตาถาคตเจ้าแด่พระธรรมอันสูงสุดซึ่งเป็นดั่งแก้วมณีอันบริสุทธิ์และแด่เหล่าพระบุตรขององค์พุทธะผู้เป็นดังมหาสมุทรแห่งคุณธรรมอันเลิศด้วยดอกไม้หอมผลไม้และสมุนไพรอันล้ำเลิศและเหล่าอัญมณี ที่มีอยู่ทั้งหมดในโลกนี้พร้อมทั้งน้ำสะอาดบริสุทธิ์อันชื่นใจข้าพเจ้าขอน้อมขึ้นบูชาแด่พระผู้เป็นเลิศในหมู่ปราชททั้งหลายพร้อมทั้งเหล่าพุทธบุตรขอให้ท่านผู้ควรค่าแก่การสักการะบูชานี้ผู้ทรงพระมหากรุณาจงโปรดเมตตา ยอมรับเครื่องบูชาทั้งหลายเหล่านี้จากข้าพเจ้าด้วยเถิดด้วยการปกป้องของพระองค์ข้าพเจ้าจึงปราศ จ, จากความกลัวต่อการเกิดในสังสารวัฏอีกข้าพเจ้าขอรับใช้เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายข้าพเจ้าจะข้ามพ้นจากความผิดพลาดทั้งหลายในอดีต และแต่นี้ต่อไปข้าพเจ้าจะไม่ขอกระทาบาปกรามใดๆอีกข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันทรงเป็นแก่นแท้แห่งความรู้แจ้งหลุดพ้นข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมและเหล่าพระโพธิสัตว์เป็นที่พึ่งด้วยมือที่ยกประนมขึ้น ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในทั่วสารทิศและเหล่าพระโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมไปด้วยมหาเมตตาทั้งหลายกรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้าผู้โง่เขลาได้กระทําไว้หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้กระทําก็ตามทั้งในชาตินี้และชาติอื่นๆตลอดทั้งสังสารวัฏ อันหาจุดเริ่มต้นมิได้สิ่งทั้งหลายที่ข้าพเจ้ากระทําไปด้วยความโลภอันเป็นการทําให้ตนเดือดร้อนข้าพเจ้าขอสํานึกผิดในกรรมชั่วเหล่านั้นกรรมชั่วใดๆที่ข้าได้กระทําทั้งทางกายวาจาใจด้วยความไม่เคารพในพระราตนาตรายัยบิดา มานดาครูบาอาจารย์และผู้อื่นกรรมชั่วใดๆที่ข้าพเจ้าคนบาปผู้หนาไปด้วยกิเลสได้กระทำไว้ข้าพเจ้าแต่พระผู้นำทางข้าขอสำนึกผิดในบาปกรรมเหล่านั้นข้าพเจ้าจะข้ามพ้นจากมันได้อย่างไรขอพระองค์ จงโปรดเมตตาช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิดขอความตายอย่าเพิ่งคืบคลานมาสู่ข้าพเจ้าก่อนที่บาปกรรมเหล่านี้จะสลายไปความตายไม่เคยแยกแยะระหว่างผู้ที่ทำงานค้างค้างอยู่และผู้ที่ทำเสร็จความตายไม่เป็นที่วางใจได้เลยทั้งจากผู้ที่เจ็บป่วย และผู้ที่สุขภาพแข็งแรงเพราะมันเปรียบเสมือนกับสายฟ้าที่คาดเดาไม่ได้ว่าจะผ่าลงณที่ใดเพราะข้าพเจ้าหลงลืมไปว่าข้าจะต้องตายจากไปและทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลังข้าพเจ้าจึงได้ประกอบบาปกรรมไว้มากมายทั้งแก่เพื่อนและศัตรู ศัตรูของข้าเพื่อนของข้าพเจ้าและตัวของข้าพเจ้าต่างก็ไม่สามารถคงอยู่ไม่มีสิ่งใดเลยที่จะคงอยู่ท้าวรได้ไม่ว่าประสบการณ์ใดๆก็ย่อมจืดจางเลือนลางกลายเป็นความทรงจำเช่นเดียวกับประสบการณ์ในฝันทุกๆสิ่งที่ผ่านมาย่อมผ่านไปอย่างไม่หวนคืนมาอีก แม้ว่าในชาตินี้ข้าพเจ้าจะยังคงมีชีวิตอยู่ในขณะที่เพื่อนฝูงและศัตรูของข้าพเจ้าจากไปแต่กรรมเวรที่ได้กระทาไว้แก่พวกเขาก็กําลังคอยข้าพเจ้าอยู่ข้าพเจ้ามิได้เคยคิดเลยว่าตัวข้าพเจ้าอาจตายเมื่อไรก็ได้ดังนั้น ด้วยอำนาจแห่งความโลภโกรธหลงข้าพเจ้าจึงหลงประกอบบาปกรรมมากมายวันคือล่วงไปชีวิตย่อมหดสั้นลงไม่เคยที่จะยืดยาวขึ้นแล้วตัวข้าพเจ้าจะไม่ตายหรอกหรือโอ้ข้าแต่พระผู้ปกป้องข้าพเจ้าผู้ประมาท และไม่เคยตระหนักถึงโทษภัยอันตรายได้ประกอบกรรมชั่วไว้มากมายด้วยความหลงยึดติดในชีวิตอันเป็นของชั่วคราวนี่ข้าขอสำนึกผิดต่อความผิดพลาดทั้งหลายของข้าพเจ้ากรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วด้วยความไม่รู้และความโง่เขลาก็ดีด้วยความดื้อดึง ฝ่าฟื้นในข้อห้ามและศีลทั้งหลายก็ดีอันเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าต้องทุกข์ยากเข็นใจข้าพเจ้าขอสำนึกผิดในบาปกรรมนั้นข้าพเจ้าขอประนมมือขึ้นสักการะต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระองค์ทรงยอมรับการสำนึกในความผิดบาป และความชั่วช้าของข้าพเจ้าครั้งนี้ข้าแต่พระองค์ข้าพเจ้าขอตั้งใจที่จะไม่กระทำผิดเช่นนี้อีกต่อไป